นัติกำ ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์ก ม, มลวันเรื่องรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาฟังประวัติของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ของประเทศไทยอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับหลวงพ่อเงินในเกิดที่บ้านบางคลานหมู่ที่หนึ่งตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรตรงกับสมัยราชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกศินป์สำหรับวันเกิดของท่านนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดยืนยันได้ แต่จากการสอบถามกับปีที่ท่านอุปสมบทแล้วน่าเชื่อได้ว่าท่านเกิดในปีพุทธศักราช 2,351 อันนี้คุณลุงแปลกสุกนวลซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ทันรับชายหลวงพ่อบอกว่าท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน10ปีมะโรงปีพศ .2,351 แล้วก็มรณภาพเมื่อวันศุกร์เดือน10แรม11ขเค่ำปีมะแมเวลาตีห รวมอายุได้ร้อยสิบอ็ดปีบวชอยู่90บพรรษาหลวงพ่อเงินวัดคงคารามหลวงพ่อเงินวัดไทยนาและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเนี่ยองคเดียวกันนะครับโยมพ่อท่านเป็นชาวบางคลานโยมแม่เป็นคนบ้านแสนต่ออำเภอขานุวรักษ k ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรมีพี่น้องทั้งหมดก็หกคนด้วยกันเมื่อหลวงพ่อเงินอายุได้สามขวบ ตาช้างซึ่งเป็นลุงของหลวงพ่อเงินได้นำเอาหลวงพ่อไปเลี้ยงไว้ที่กรุงเทพด้วยต่อมาเป็นวันเดือนปีอะไรไม่ทราบหลวงพ่อเงินได้บับพชาเป็นสมณีนที่วัดตองปุกวัดตองปุกปัจจุบันก็คือวัดชนะสงครามจังหวัดพระนครตอนนั้นอายุสิบสองขวบแต่ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นอุปชาพออายุได้ยี่สิบปีโยมพ่อโยมแม่และบรรดาญาติพี่น้องมีความประสงค์จะให้หลวงพ่อบวชเป็นพระ แต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมบวชเพราะว่าเกรงว่าอายุของท่านจะไม่ครบบริบูรณ์จริงบรรดาญาติก็อนุโลมตามจึงกระทั่งหลวงพ่ออายุได้22ปีก็ได้กําหนดวันอุปสมบทในปีนั้นก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระท่านก็ศึกจากการเป็นสนนัมเนนเมื่ออายุครบยี่ปีกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนคือจังหวัดพิจิตรระหว่างที่ศึกออกมานี้ด้วยความที่เป็นวัยชกัน ท่านก็ไปชอบพอกับสาวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเงินเหมือนกันแต่เพราะว่าไม่ใช่เนื้อคู่ก็ทำให้ต้องแคล้วคลาดจากกันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านไปมาหาสู่ที่บ้านสาวตอนขึ้นบ้านขั้นบันไดเกิดหักขึ้นมาท่านตกบันไดลงพ่อก็เกิดความละอายแล้วก็ไม่ได้ไปหาสาวคนนั้นอีกเลยการอุปสมบทของลงพ่อนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าทำกันที่กรุงเทพหรือว่าที่อาเภอบางคลาน ปกติคนเราก็น่าจะอุปสมบทอยู่ใกล้ๆบ้านในหมู่เครือญาติระหว่างที่ท่านบัพชาเป็นสัมมนเณรท่านก็ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจนแตกฉานพอสมควรเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้เดินทางกลับไปศึกษาเพิ่มเติมอีกรวมทั้งด้านวิปัสนาธุระด้วยประมาณสามสีป่ปีพอดีคุณปู่ป่วยหนักจึงถูกตามตัวกลับอำเภอโพทะเล หลังจากนั้นก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าท่านได้เดินทางกลับไปกรุงเทพเพื่อศึกษาเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อท่านกลับไปอำเภอบางคลานแล้วขณะนั้นคงจะมีอายุประมาณสักยี่สิบห้าปีท่านไปจำมันสายอยู่ที่วัดคงคารามหนึ่งปีอุปนิสัยของท่านเข้ากับพระอาจารย์โฮซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดคงคารามในขณะนั้นไม่ได้เพราะอาจารย์โฮเป็นพระผู้เสียงดังเอะอะโวยวาย ไม่เหมือนกับท่านซึ่งเป็นพระสันโดษไฝ่ในทางวิปัสนาท่านก็เลยแยกตัวออกไปจากวัดคงคารามตอนนี้หลักฐานได้จากการสอบถามผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านท้ายน้ำหลายท่านในขณะนี้เช่นลุงเรียบภูนชัยนาถอายุ87แล้วลุงโพสุจริตก็อายุ87เหมือนกันท่านยืนยันมาหลวงพ่องเงินนะท่านมาอยู่ที่วัดท้ายน้าก่อนที่จะไปอยู่วัดบางคลานแน่นอน ท่านมาอยู่ที่วัดทายน้ําเป็นเวลานานมากก่อนที่จะย้ายไปวัดวังตะโกหรือว่าวัดบางคลานในปัจจุบันในขณะที่จำมรสาอยู่ที่วัดทายน้ําได้อยู่ร่วมกับหลวงพ่อเขียวซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวั ด, วดทายน้ําในขณะนั้นหลวงพ่อเขียวเป็นคนนยุธยาเป็นผู้เรืองวิชาอาคมเช่นเดียวกับหลวงพ่อเงินเดิมท่านอาศัยอยู่ที่แพรริมน้ําใต้ต้นโพหน้าวัดเมื่อหลวงพ่อเงินมาอยู่ด้วยใหม่ๆหมก็ลงไปอยู่ที่แพรแต่ว่าอยู่กันคนละห้อง ต่อมาเมื่ออาคารถาวรของวัดทายน้ำเสร็จท่านก็ขึ้นมาอยู่ในบริเวณวัดหลวงพ่อเงินได้สร้างถาวรวัตถุในบริเวณวัดทายน้ำมากมายเช่นโบสถ์ศาลาหอระฆังซึ่งสิ่งก่อสร้างของท่านทำด้วยไม้ซึ่งการเวลาก็ทำให้ชารุดสุดโทมลงไปตอนสร้างโบสถ์มีหลวงพ่อองค์อื่นที่มีชื่อเสียงมาร่วมด้วยมากมายเช่นหลวงพ่ออินวัดพังน้อยหลวงพ่อเทียนวัดหนองดง หลวงพ่อเทียนนี้เป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์กับหลวงพ่อเงินคือไปเรียนวิชามาจากหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าด้วยกันหลวงพ่อโพเป็นพระมรเดิมอยู่ที่บ้านเดินมะขิดจังหวัดปฐุมธา น, นีหลวงพ่อเงินขณะที่อยู่ที่วัดทายน้ําท่านไม่ต้องการตําแหน่งใดๆทั้งสิน้นคือเพียงมาอาศัยอยู่ในฐานะลูกวัดแต่ก็มีผู้เลื่อมใสท่านมากกว่าพระองค์อื่นๆในวัดท่านสนิทสนมกับหลวงพ่อเขียวมาก ผู้เฒ่าในหมู่บ้านท้ายน้ำหลายท่านซึ่งมีชีวิตอยู่ขณะ น, นี้สามารถยืนยันเหตุการณ์ในอดีตได้เป็นอย่างดีที่ว่าประวัติคลุมเครือก็เพราะว่าหลวงพ่อเงินมีอายุยืนยาวมากท่านออกจากวัดคงคารามตอนนั้นอายุก่อน30ปีแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนถึงได้มาอยู่วัดท้ายน้ำเอาเมื่ออายุเกือบ80ปีลุงเรียบภูลชัยนาทบอกว่าหลวงพ่อเงินมาอยู่วัดท้ายน้าเมื่อท่านยังเป็นเด็กแล้วก็จากไปอยู่วัดบางคลา เมื่อตอนท่านอายุได้ประมาณ16ปีแสดงว่าหลวงพ่อเงินจากวัดท้ายน้ำไปเมื่อประมาณปี2457นั่นเองแล้วก็ไปอยู่วัดบางคลานอีกไม่กี่ปีก็สิ้นบุญท่านยืนยันอย่างนั้นมีทัศนะเดียวที่เป็นไปได้ก็คือเมื่อท่านจากวัดคงคารามนำต้นโพมาปลูกแล้วอาจจะจามัรสายอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกจากวัดคงคาราม ไปอยู่วัดท้ายน้ําร่วมกับหลวงพ่อเขียวแล้วจึงออกธุดงไปที่อื่นนานถึงห้ปีแล้วจึงกลับมาอยู่ที่วัดท้ายน้ําอีก30มกว่าปีจึงกลับไปอยู่วัดบางคลานที่ท่านเริ่มสร้างไว้ที่ท่านอยู่วัดบางคลานไม่กี่ปีก็เนื่องจากฐาวนวัตถุที่วัดบางคลานที่ท่านสร้างไว้น่ะมีน้อยมากเปรียบเทียบแล้วสู้วัดท้ายน้ําไม่ได้ข้าวของเครื่องใช้ของท่านก็มีหลงเหลืออยู่ที่วัดท้ายน้ํามากวัดบางคลานเนี่ยถูกทิ้งร้างมานาน เมื่อหลวงพ่อย้ายกลับมาอยู่วัดนี้ในระยะสุดท้ายของชีวิตท่านไม่ได้ทอดทิ้งวัดท้ายน้ำและวัดคงคารามท่านยังกลับมาช่วยบุรณะปฏิสังขรทาวอนวัตถุต่างๆด้วยเมื่ออาจารย์โฮเจ้าอาวาสวัดคงคารามมรณภาพแล้วท่านก็ยังกลับไปสร้างศาลาให้วัดคงคารามอีกนอกจากนี้ท่านยังเดินทางไปวัดท้ายน้ําบ่อยๆสมัยก่อนไม่มีหนทางสะดวกอย่างทุกวันนี้มีข่าวเล่ากันว่าบางครั้งหลวงพ่อเงินเดินทางจากวัดท้ายน้ํากลับไปวัดบางคลาน ท่านยังหลงอยู่ในป่าเป็นเวลานา น, านเพราะสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบจริงๆไม่ใช่ทุ่งนาอย่างสมัยนี้ระยะทางระหว่างสองวัดนี้ถ้าหากว่าวัด ร, ระยะทางเป็นเส้นตรงก็คงจะประมาณสัก1ิบกิโลเมตรจากคำบอกเล่าของญาติโยมอาวุโสที่วัดไทยนาแล้วก็ลุงแปลกสุกนวลเล่าให้ฟังเนี่ยว่าหลวงพ่อเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์มากตั้งแต่ช้างวัวควายมา้าควางละมั่งกระทิงชนีหมี ลิงเผือกกระต่ายป่านกเขานกระทาหลวงพ่อสามารถทําให้สัตว์ป่าเหล่านี้เชื่องได้โดยง่ายคือท่านจะเสกข้าวเสกหญ้าและน้ำให้กินช้างของท่านมีหลายเชือกชื่อสิงชื่อมลิชื่อนบชื่อแหนบซึ่งต่อมามีพวกชาวบ้านเกเรได้ลักช้างชื่อนบของท่านไปทาให้ท่านโมโหมากถึงกับสาบแช่งให้ยากจนไปเจ็ดชั่วโคต ท่านบอกด้วยว่าช้างของท่านถูกคนนำไปขายที่บ้านระแหงแถวจังหวัดตากหรือว่ า, าแถวสุขโขทัยนะนอกจากนี้วัดท้ายน้ำยังมีตะลุงเสาช้างของหลวงพ่อเงินอยู่เป็นหลักฐานอีกด้วยลุงแปล ก, กับครูจิตได้เล่าให้ท่านจเจ้าอาวาสวัดท้ายน้ำองค์ก่อนอฟังว่าหลวงพ่อเคยทะเลาะ ก, กับพี่ชายของท่าน ชื่อตาภูมิราซึ่งเป็นหมอใหญ่มีชื่อในเขตนั้นหรือว่าอำเภอบางคลานตาภูมิราคนนี้ชอบกินเหล้าวันหนึ่งควายของตาภูมิรามาควิดกับควายของหลวงพอ่อควิดกันอยู่นานมากผลปรากฏว่าควายของตาภูมิราพี่ชายท่านแพ้แล้วก็มีเลือดออกตามบาดแผลมากส่วนควายของหลวงพ่อนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บเลยตาภูมิราก็โมโหควายหลวงพ่อมากตอนเย็นวันนั้น ตาภุมราก็ดื่มเหล้าเมาถึงขนาดหนักมาจากไหนไม่ทราบข้ามภากไปหาหลวงพ่อแล้วก็ร้องเรียกหลวงพ่อท่านเงินท่านเงินเก่งนะเกอฮะชาวบ้านเขาว่าเก่งนะเกลอหลวงพ่อเห็นพี่ชายเมาเหล้าก็ถามพี่ขครจะเก่งยังไงอะครเป็นพระตาภุมราก็คงจะโมโหในเรื่องที่กไายขอยงตัวแพ้ก็พูดต่ออีก เขาลือว่าท่านเก่งอยู่ยงของกระพันญาตรีงั้นเหร อ, อเขาไม่มีดีอะไรหรอกตอนนี้ตาภุมิราจะคิดยังไงแม่สามหรืออาจจะเป็นพอริศเล่าข้ามผ้ากลับไปบ้านเพื่อเอาปืนแต่ปืนสมัยนั้นคงจะเป็นปืนคาบศิลาหรือไม่กับปืนแกป๊ปพอได้ปืนมาแล้วก็กลับมาที่หลวงพ่อเพื่อจะทดลองมาถึงวัดก็เรียกหาหลวงพ่อไหนท่านเงินอยู่ไหนผมจะเอาปืนมาลองลหน่อย หลวงพ่อก็แน่เมื่อเขตอบพี่ชายอันนี้ข้าอยู่เนี่ยเอาเลยพี่เลือกยิงเอาให้เหมาะกันแล้วกันตาบุญมราไม่รอชา้าเอาปืนประทับหลายยิงทันทีเสียงสับนกอยู่สามสี่แฉไม่ดังเลยเพอยิงไม่ดังไม่ลั่นก็ลดปืนลงจากบา่าปรากฏว่ามีน้ําไหลออกมาจากปากกระบอกปืนหลวงพ่อตอนนั้นคงจะโมโหก็พูดบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่พี่ชายจะตไต้ให้ตาบุญมราก็กลับบ้าน เหตุนี้เองที่ทําให้ชาว บ, บ้านทาบบรหลวงพ่อเงินมีความศักดิ์สิทธิ์ก็พากันไปขอเครื่องรางของหลวงของขลังจากหลวงพ่อเช่นตะกรุดต่อมาจนวันเดือนปีไหนไม่ทราบเมื่อตาภูมิราถึงแก่กรรมปรากฏว่าหลวงพ่อเงินก็ไม่ได้ไปเผาศพพี่ชายเลยแต่ให้ลูกศิษย์นําผ้าไตรไปช่วยในงานศพก็นับว่าหลวงพ่อในใจเด็ดเดี่ยวมาก ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินเรื่องลือไปถึงไหนก็ทําให้คนที่รู้ในอยากจะได้เครื่องรางของขลังจากท่านเป็นจํานวนมากซึ่งหลวงพ่อเงินนี่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปทั้งใกล้และไกลทั้งชาวไทยชาวจีนวันหนึ่งชาวจีนคนหนึ่งก็มาหาหลวงพ่อเพื่อขอน้ำมนต์เอาไปอาบที่บ้านเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวทั้งจะทําให้การประกอบกิจการในร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยเอาน้ําใส่กระบอกไม้ บางคนก็บอกว่าใส่กระถางน้ำนะเมื่อชาวจีนคนนั้นมาบอกความประสงค์แกหลวงพ่อหลวงพ่อก็จุดเทียนไว้แล้วก็นั่งคุยกับชาวจีนคนนั้นชาวจีนคนนี้พูดคุยถูกคอมากคุยกันอยู่นานก็เห็นว่านานมากแล้วก็เอ่ยถามหลวงพ่อว่าเมื่ อ, อไรหลวงพ่อจะทําน้ํามงสักเทียครับทําเสร็จแล้วชาวจีนคนนั้นก็เถียงไม่เห็นหลวงพ่อลงมือทําอะไรเลยก็นั่งคุยอยู่ด้วยกันตลอดเวลา หลวงพ่อก็ยืนยันไปว่าทําเสร็จแล้วตามเดิมชาวจีนคนนั้นก็นึกฉุนลุกขึ้นเทน้ําออกจากถังปรากฏว่าน้ําในถังไม่ได้ไหลออกไม่ได้ไหลออกมาเลยเป็นเหตุให้เรื่องลือมากขึ้นหลวงพ่อองนี้แปลกกว่าพระองค์อื่นๆตรงที่ว่าท่านเป็นพระที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็ไม่ดุแต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนที่ไปหาไม่ว่าจะมาจากไหนท่านก็ให้การปฏิสันถานเป็นอย่างดีแก่ชนทุกเหล่าไม่เลือกวันลนะ มั่งมีดีจนอะไรทั้งสิน้นลุงแปลกสุกนวนได้เล่าว่าหลวงพ่อเน่ยชอบเลี้ยงสัตว์บกสัตว์น้ําเลี้ยงจระเข้ไว้ด้วยเพราะสมัยนั้นแถวบ้านบางคลานจระเข้ชุกชุมแล้วก็ดุร้ายวันหนึ่งหลวงพ่อจะไปทุระเห็นจระเข้มันกำลังจะกินปลาอยู่กลางแม่น้ําหลวงพ่อก็นึกสนุกยังไงไม่ทราบก็ใช้ลูกศิษย์ท่านชื่อในกลิ้งให้ไปแย่งปลาจากปากจระเข้แล้วก็สามารถแย่งมาได้โดยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดอลุง แปลกบอกว่าคงจะหลวงพ่อคงจะทําอะไรคุ้มกันให้ในกริ้งก็เป็นได้มีสิทธิ์วัดของหลวงพ่อคนหนึ่งชื่อตันาคตันาคคนนี้เป็นคนชอบนอนตื่นสายเสมอหน้าที่ของตันาค ก, ก็คือเป็นคนหาบสําหรับของหลวงพ่อเวลาออกบินธบัติวันหนึ่งตันาคนอนตื่นสายผิดปกติเมื่อหลวงพ่อรู้เรื่องก็เอากระสุนยิงไปในทางตรงข้ามที่ตันาคอยู่แต่ปรากฏกระสุนนั้นไปถูกตันาคที่นอนอยู่ในกุฏิร้องโอยโวย หลังจากวันนั้นมีคนไปถามว่าที่หลวงพ่อยิงกระสุนวันนั้นน่ะเจ็บไหมตาหน้าก็บอกไม่เจ็บหัวโนเลยอะเรื่องที่ลือกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฟันตะกัวแล้วก็กระดาษไม่ถูกเนี่ยเรื่องมีว่าวันหนึ่งหลวงพ่อสั่งให้ตาเจียมเนี่ยตัดแผ่นตะกัวเพื่อจะทําอะไรไม่ทราบแน่ชัดหลวงพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยเหลือนอกนั้นให้ให้ตาเจียมอ่าเอาแค่นี้ละตาเจียมฟันแบ่งไป ตะเจียมใช้มีดฟันลงไปที่ตะกัวฟันยังไงก็ไม่ถูกตะกัวเลยฟันอยู่หลายครั้งหลายคราวอีกคราวหนึ่งตะแพรสิทธิหลวงพ่อเงินอีกคนหนึ่งหลวงพ่อเขียนอักษรใส่ในกระดาษเล็กๆแล้วก็ให้ตะแพรฟันกระดาษนั้นะปรากฏว่าตะแพรฟันกระดาษแผ่นนั้นไม่ถูกครัฟันยังไงก็ไม่ถูกหลวงพ่อเงินหัวเราะชอบใจมากเพราะว่าสิ่งที่ท่านทําไปเนี่ยเป็นเพียงขั้นทดลองดูวิชาเท่านั้นเองในวัดหลวงพ่อมีภิกษุรูปนึงชื่ออาจารย์ทุวม มีความสามารถในการยิงกระสุนแม่นยำ ม, มากไม่มีใครสู้ทันได้วันหนึ่งมีไก่ขึ้นไปเขี่ยหาอาหารบนหลังาคากุติกระจุยกระจายไปหมดหลวงพ่อโ ม, โมโหก็เรียกหาอาจารย์ทวมในลูกศิษย์ให้ยิงไล่ไก่บนหลังาคากุติอาจารย์ทวมทราบความประสงค์หลวงพ่อแล้วหยิบกระสุนออกมายิงไก่บนหลังคา4ี่หครั้งไม่ถูกไก่ฮะถึงตามธรรมดาอาจารย์ทวมในเรื่องยิงกระสุนเนี่ยกไว้แม่แมนยำ ม, มากแต่มาครั้งนั้นเกิดยิงผิดพลาดไปตั้งเยอะแยะ นิยมแสดงว่าหลวงพ่อต้องการให้ลูกศิษย์ทราบว่าท่านมีความขลังขนาดไหนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมีคนพูดกันว่าหลวงพ่อนะ่ยย่นระยะทางได้การย่นระยะทางได้นี้คนที่จะทำได้ต้องเป็นพระที่เชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนัก หลวงพ่อเนี่ยมีวิชาที่ย่นระยะทางให้เป็นระยะทางใกล้ได้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อชวนอาจารย์แก้วไปเอาตำราที่เกาะสีมาลาเมืองพิจิตรเก่าอาจารย์แก้วนี่คงจะเป็นญาติพี่น้องกับหลวงพ่อเพราะเป็นคนบ้านแสนต่อเช่นเดียวกับโยมแม่ของหลวงพ่อการเดินทางของหลวงพ่อเงินก็คือไปทางวิปัสสนากับอาจารย์แก้วหลว ง, งพ่อและอาจารย์แก้วเดินทางเพียง3ามก้าวเท่านั้น ก็ถึงเกาะสีมาลาพบตำราแล้วก็มีดหมอเล่มหนึ่งอยู่ในโอง่งส่วนของหลวงพ่อจะเอาตำราแต่อาจารย์แก้วจะเอามีดหมอซึ่งหลวงพ่อก็ได้ห้ามไว้ไม่ให้เอามาเพราะเจ้าของเขาไม่อนุญาตอาจารย์แก้วเอามีดหมอมาได้เพียงคืนเดียวก็ต้องเอาไปคืนก็เพราะเหตุว่าเจ้าของมีดเขามารบกวนครั้นต่อมาอีกหลายเดือนอาจารย์แก้วก็ได้กลับไปที่เกาะสีมาลาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่พบโอ่งและมีด ไม่ทราบว่าหายไปข้างไหนเที่ยวเดินหายอยู่ก็ไม่สามารถจะพบเห็นอีกเรื่องหลวงพ่อเงินนำเงนเินเติมที่วัดประสาทวัดประสาทนี่เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็สลักหักพังไปหมดแล้วในครั้งอดีตคงจะเป็นวัดใหญ่โตมากอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำยมแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดวังตะโกหลวงพ่อบอกว่าที่วัดประสาทมีรั์แผ่นดินมากเพราะว่าทุกๆปี หลวงพ่อจะต้องนําเงินไปเติมอยู่เสมอไม่ได้ขาดสักปีหนึ่งครั้งหนึ่งหลวงพ่อเอาเงินไปเติมที่วัดประสาทอีกเช่นเคยท่านนาเอาเด็กวัดชื่อตะบัวไปด้วยเมื่อท่านเอาเงินไปเติมแล้วหลวงพ่อก็เอาผ้าอาบวางไว้ที่บนเรือชล่าซึ่งมีเงินทองมากมายแล้วจึงกลับขณะที่เดินกลับวัดนั้นท่านก็พูดกับตะบัวว่ากูลืมผ้าอาบไว้ที่นู่นมึงไปเอามาให้ทีตะบัวก็พาซื่อกลับไปเอาผ้าอาบ พอกลับมาหลวงพ่อก็ถามว่ามึงเห็นอะไรบ้างตะบัวบอกไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อก็บอกมึงเซอร์การที่หลวงพ่อทําอย่างนั้นเพื่อหวังจะได้ให้เป็นบุญของตะบัวจะได้เห็นจะได้มั่งมีหรืออาจจะทดลองว่าตะบัวจะเห็นหรือไม่ก็ไม่รู้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเรื่องลือไปไกลคนที่อยู่ไกลๆอยากจะได้รูปภาพของท่านไว้สักการะบูชาจะได้เป็นสีสวัสดิ์แก่ครอบครัว การถ่ายรูปในสมัยนั้นก็ไม่ค่อยจะแพร่หลายเช่นในปัจจุบันนี้เพราะว่าประชาชนทั่วไปเกรงว่าการถ่ายรูปเนี่ยจะทําให้อายุสั้นจึงเป็นเหตุให้พวกรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ค่อยได้มีรูปเก็บไว้ให้ลูกหลานหรอกวันหนึ่งมีช่างถ่ายรูปเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อจะถ่ายรูปหลวงพ่อช่างถ่ายรูปคนนั้นไม่ใช่คนไทยเป็นชาวอินเดียหรือว่าแขกเนี่ยหลวงพ่อก็ยินดีให้ถ่ายแต่การถ่ายครั้งแรกนั้นไม่ติด เพราะกร ะ, กระจกแตกแขกเห็นอย่างนั้นก็นึกอัศจรรย์ก็ขอหลวงพ่อถ่ายใหม่หลวงพ่อก็ให้ถ่ายอีกเหมือนเดิมปรากฏว่าคราวนี้รูปหลวงพ่อติดเพียงซีอเดียวแขกนั้นก็มาได้ลดละความพยายามคืนนั้นเลยนอนค้างที่วัดคืนนึงก็คือวัดวังตะโกแหละจนรุ่งเช้าหลวงพ่อก็ให้แขกถ่ายรูปเป็นครั้งที่สรูปของหลวงพ่อยึงติดสมประสงค์ของแขกหรือว่าชังถ่ายรูปนี่ก็แสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน เรื่องที่หลวงพ่อใบหวยนี่บันทึกตามคำบอกเล่าของครูบุรลงนิ่มทองครูโรงเรียนวัดบางบางลายใต้อาเภอบางลายใต้อาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรว่าแม่ของครูบุรงเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเมาครั้งมีชีวิตอยู่หมายถึงว่าคุณแม่ของครูบุรลงเนี่ยนะท่านเคยเป็นชาวเรือก็ล่องเรือไปค้าขายซึ่งในเวลานั้นหลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่ วันหนึ่งแม่ของคุณบุรองแล้วก็พี่สาวล่องเรือข้าวจะไปขายที่ปากน้ําโพหรือว่าที่กรุงเทพไม่ทราบแน่ชัดก็พูดไว้ว่าล่องเรือไปเที่ยวนี้จะไปขอลาบจากหลวงพ่อเมื่อเรือล่องไปถึงบ้านบางคลานก็ขึ้นจากเรือไปหาหลวงพ่อที่วัดวังตะโกพอนมัสการหลวงพ่อเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าหลวงพ่อฉันมาเที่ยวนี้จะมาขอลาบจากหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่ า, วาฉันไม่มีอะไรให้หรอก แต่ขามาเที่ยวนี้ขอให้โยมซื้อจากมาฝากด้วยขากลับแม่เาครูบุร่งก็ได้ข อ, อน้ำมนต์ไปด้วยพอถึงเรือก็เทน้ำมนต์ใส่โหลเก็บไปทางท้ายเรือป้าครูบุร่งออกมาดูดอกน้ำมนต์ในโหลอ่าเห็นเป็นตัวจอจานก็บอกแม่ครูบุร่งบอกว่าอ่าเขาเรียกจอหนูง้วยอ่าหลวงพ่อให้ลาบ แม่ครูบุรลงไม่ยอมเชื่อก็เลยไม่ได้ซื้อหวยก็แย้งว่าถ้าท่านจะให้คงบอกตรงๆอนะ่ะอันนี้คงจะไม่ใช่อ่ะไม่จริงแต่ปรากฏว่าเมื่อหวยก็ขอออกรุ่นนั้นปรากฏว่าออกมาเป็นตัวจอรจริงๆท่านกำนันชดสนสกุลกำนันธรรมน์บางคลานคนปัจจุบันเล่าว่าหลวงพ่อเงินเป็นนักเทศมหาชาติที่มีน้ำเสียงไพเราะมาก โดยเฉพาะกันธานกัรแล้ก็กันกุมารซึ่งเป็นการที่หลวงพ่อถนัดมากแล้วก็เทศเป็นทํานองด้วยลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่เทศเสียงดีในเวลานั้นก็มีหลวงพ่อน้อยแต่ว่าท่านมรณาภาพไปแล้วเมื่อปี2508คืออดีตจเจ้าวาดวัดคงคารามซึ่งได้หัดเทศจากหลวงพ่อมาหลวงพ่อน้อยนะ่ะเทศได้ไพเราะมากแต่กํานันโชดบอกว่าหลวงพ่อเงินนะเทศได้ดีกว่านี้หลายเท่าทีเดียวว่าอย่างนั้น ครั้งหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสออกตรวจตามวัดต่างๆในเขตมณฑลภาคเหนือตอนที่มานั้นท่านจะดำรงตำแหน่งอะไรไม่ทราบชัดแต่ว่าท่านตรวจงานคณะสงฆ์ทั่วไปการมาก็ไม่ปรากฏชัดว่าจะมาในปีเดือนวันอะไรอีกเช่นกันแต่ว่าพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเสด็จมาทางชนละมากคือล่องเรือมาตามลำน้ำยมผ่านวัดต่างๆมาโดยลาดับ พอถึงวัดวังตะโกสมเด็จก็ถามหาหลวงพ่อเงินเพราะได้ยินกิติศัพท์ของหลวงพ่อเมื่อพระองค์ผ่านมาจึงใคร่จะดูรูปโฉมลมพันของหลวงพ่อเงินว่าเป็นยังไงพอดีเวลานั้นท่านไม่อยู่ท่านไปอยู่วัดทายน้ําเพราะว่าที่วัดทายน้ํานี้หลวงพ่อท่านสร้างถาวรวัตถุไว้มากมายประกอบกับมีญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นมากเมื่อมีคนมาส่งข่าวให้หลวงพ่อทราบหลวงพ่อท่านก็ให้พระรูปหนึ่งที่มีความชํานาญในการเข้าหาพระผู้ใหญ่ในสมัยนั้น นำดอกไม้ทูปเทียนไปถวายสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าสมเด็จท่านรับแล้วถามว่าหลวงพ่อเงินไปไหนพระก็ตอบว่าอยู่ที่วัดทายน้ำมีธุระยังทำไม่เสร็จท่านใช้ให้กระหม่อมนำเอาทูบเทียนแพรดอกไม้มาถวายเมื่อท่านรับทูบเทียนและดอกไม้แล้วสมเด็จจึงมอบผ้าไตรแพรหนึ่งไตรให้นำมาถวายหลวงพ่อเงินพระรูปนั้นเมื่อกลับมาถึงวัดทายน้าแล้วก็นำไตรแพรมาให้หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อท่านยังสรรยอกพระรูปนั้นว่าเออสู้ข้ามไม่ได้เออฆ่าไม่ได้ไปก็ยังได้ตรแพรว่าอย่างนั้นส่วนสมเด็จก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมขึ้นไปจนสุดคณะสงฆ์ภาคเหนือหมดภาคเหนือแล้วก็ล่องกลับตามลําน้ํายมอย่างเดิมพอมาถึงวัดวังตะโกก็แวะพักอีกคืนหนึ่งเพื่อรอหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินได้ทราบว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าไม่ยอมเสด็จกลับกรุงเทพท่านก็เดินทางจากวัดไทยน้ํากลับไปวังตะโก เมื่อมาถึงหลวงพ่อเงินก็ทักทายปราัยพอสมควรแล้วก็ได้อยู่สนทนากันจนตลอดแจ้งซึ่งก็ไม่มีใครทราบดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาหลับนอนเลยทราบมาภายหลังว่าสมเด็จในกรมท่านขอเรียนวิปัสนาธุระกับหลวงพ่อจนสมเด็จเมื่อปรองเรียนสมเด็จแล้วท่านจึงสเสด็จกลับกรุงเทพสเสด็จในกรมเมื่อตอนสเสด็จกลับได้ขอทูบเทียนมาจุดเวียนพระอุโบสถสามรอบซึ่งเล่าว่าขณะนั้น หมอแปลกสุกนวลยังได้เห็นสมเด็จในกรมเวียนพระอุโบสถแต่พระองค์เดียวเห็นแต่ธูปและเทียนเท่านั้นส่วนองค์สมเด็จแลไม่เห็นนี่ก็แสดงว่าพระองค์ได้ศึกษาทางวิปัสสนาจนสําเร็จเมื่อสมเด็จจะสเสด็จกลับหลวงพ่อเงินท่านให้พระลูกวัดเจริญชัยมงคลคาถาหรือวัาชายันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จและวัดสืบไปครูจิตปั้นเพลงได้เล่าให้ฟังว่าสมัยรัชกาลที่ห้าหรือหไม่ทราบแน่ชัด วันหนึ่งหลวงพ่อเงินได้สั่งให้ลูกศิษย์ว่าพระลูกวัดจัดการขวาดลานวัดให้สะอาดเรียบร้อยโดยหลวงพ่อท่านบอกกับพระลูกวัดว่าเสือจะมาให้เตรียมตัวไว้ให้ดีซะก่อนที่จะอายเขาเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรต่อมาไม่กี่วันหลวงพ่อก็ยังมาบอกกับพระลูกวัดอีกว่าวันนี้เสือจะมาถึงล้ให้คอยเตรียมตัวต้อนรับด้วยซึ่งคาว่าเสือในที่นี้ หมายถึงพระองค์เจ้าชายอาภากรกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โอรสองค์ที่28ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารั้สการที่ห้าได้เสด็จมากับมหาดเล็กโดยทางเรืออย่างเงียบๆก่อนที่จะถึงวัดวังตะโกก็ได้แวะที่วัดมาขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธเพื่อศึกษาวิชากับหลวงพ่อสุขวัดมาขามเท่าเป็นเวลาสิบห้าวัน แล้วก็เลยมาหาหลวงพ่อเงินที่วัดวังตะโกเพื่อขอวิชาต่างๆเพิ่มเติมกรมหลวงชุมพรมาประทับที่วัดวังตะโกเป็นเวลา15้าวันเช่นเดียวกันจนสําเร็จนี่ก็แสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านโดยชัดแจ้งเลย ว, ว่าหลวงพ่อเงินท่านสามารถนั่งวิปัสสนาทราบว่าจะมีผู้มาหาแล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าเป็นวันนั้นวันนี้เมื่อกรมหลวงชุมพรได้เล่าเรียนวิชาต่างๆจนสําเร็จแล้วท่านจึงเสด็จกลับ วันที่กรมหลวงชุมพรเสด็จกลับหลวงพ่อเงินได้จัดทําพิธีให้พระภิกษุจเจริญชัย ม, มงคลคถาเพื่อเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันความศักดิ์สิทธิ์ของชานหมากที่วัดทายน้าหมอเย็นเล่าให้ฟังว่าตามปกติหลวงพี่เงินนะชอบฉันหมากมากบรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดต้องตำห ม, มากกันทุกวันวันไหนอารมณ์ดีตอนเย็นๆท่านจะออกมานั่งที่ที่สําหรับรับแขกร้องเรียกเด็กวัดให้เข้ามากใกล้ๆ แล้วก็หวานชานหมากที่ท่านฉันนั้นให้เด็กๆบรรดาเด็กเหล่านั้นก็จะเข้าแย่งกันจนถึงขนาดชกต่อยกันชุลมุนตกใต้ถุนก็มีบางคนก็ตีกันแต่ก็ปรากฏไม่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและถ้าใครได้ชานหมากไว้เท่าที่ได้เห็นมากับตาชานหมากของท่านนั้นเป็นทองแดงตามคําบอกเล่าของญาติโยมที่อยู่ใกล้ชิดบอกว่าเวลาหลวงพ่อจะสงน้ําตอนไหนก็ตาม จะมีบรรดาชาวบ้านที่เป็นโรคกลากเกลื่อนหรือว่าเป็นผื่นคันประเภทต่างๆคอยเฝ้าดูแล้วก็บางคนก็จะตักน้ํามาให้ท่านสงเพื่อจะคอยรองน้ําที่ไตถุนขณะที่หลวงพ่อกําลังอาบอยู่ถ้าใครได้น้ําที่หลวงพ่อใช้สงเพียงสองสาครั้งก็ปรากฏว่าเกลื่อนหรือว่ากลากเหล่านั้นจะอันตรธานไปหมดสิน้นแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีผู้ทํากันอยู่คือทําที่รูปจําลองของหลวงพ่องเงินที่วัดทายน้า เวลานําเอารูปยำร้องของหลวงพ่อเงินออกสงน้ําในยามเทศกาลปรากฏว่าประชาชนยังลงไปร้องน้ําที่ใต่ถุนเป็นจํานวนมากเพราะเคยได้รับคําบอกเล่าจากผู้ใหญ่ถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งจะเป็นวันเดือนปีใดไม่ทราบมีพระอาจารย์ทองซึ่งก็อยู่วัดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ภายหลังมาทราบที่อยู่ของท่านว่าอยู่ที่กรุงเทพ แต่ไม่รู้วัดไหนพระอาจารย์ทองได้ยินคําเล่าลือไปถึงเมืองบางกอกท่านก็อยากจะทดลองดูว่าเป็นจริงอย่างคําเล่าลือหรือเปล่าท่านก็เดินทางมาหลายวันโดยนําเอาใบมาขามห่อผ้าติดตัวมาด้วยเมื่อเดินทางมาถึงวัดไทน้ําไม่พบหลวงพ่อเงินจึงถามพระในวัดว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนซึ่งก็ได้รับคําชี้แจงว่าหลวงพ่อเดินทางไปทุ่งอ่างทองอหัวหนองยาว ขนทางจากวัดท้ายนําไม่ไกลพระอาจารย์ทองก็เดินทางต่อไปตามที่พระบอกไว้เมื่อเดินทางไปถึงก็แลเห็นหลวงพ่อเงินกํนาลังนอนเล่นอยู่ก็ตรงเข้าไปกราบคาระวะถึงสามครั้งตามแบบอย่างการไปมาหาสู่แบบพระทั่วๆไปพระอาจารย์ทองยังไม่ทันกล่าวว่าอย่างไงเลยแต่หลวงพ่อเงินท่านก็รู้ด้วยชันอะไรไม่ทราบก็เลยพูดคือว่าก็ปล่อยมันไปสิ พระอาจารย์ทองรู้สึกตกใจเพราะไม่ทราบว่าหลวงพ่อเงินรู้ได้อย่างไงว่าตัวจะมาลองโดยเอาใบมะขามมาปลูกเสกให้เป็นตัวต่อตัวแตนพระอาจารย์ทองจึงแก่ห่อผ้าดูปรากฏว่าใบมะขามที่ตัวห่อมานั้นกลายเป็นต่อเป็นแตนบินกันกลูไปสู่ต้นไม้ที่ชายหนองนั้นแสดงว่าหลวงพ่อเงินท่านเก่งทั้งเวทมนต์คาถาได้หลายอย่างล่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้าได้ด้วยถ้าใครจะลองดีกับท่านท่านก็ต้องแสดงให้เห็น คุณหมอพยอมได้เล่าให้คุณหมอเย็นอิ่มสุขฟังคุณหมอเย็นอิ่มสุขก็เอามาเล่าอีกทีหนึ่งต่อไปเรื่องอภินิหารตะกรุดหลวงพ่อเงินได้รับคําบอกเล่าจากชาวบ้านห้วยน้ําจะเป็นวันเดือนปีใดก็ไม่ปรากฏชัดหลวงพ่อท่านสัพยอกกับพระที่เป็นเจ้าวาดวัดท้ายน้ําในสมัยนั้นชื่อหลวงพ่อเขียวว่าปีนี้หรือว่าพรรษาเนี้ยลองตะกรุดกันดูที่ว่าใครจะดีกว่ากันเมื่อถึงกาหนดเข้าพรรษา หลวงพ่อเขียวก็ตั้งใจจะทําตะกรุดครบไตรามาศสามเดือนเนี่ยโดยการปลูกเสกอย่างแม่นยำํำพอถึงฤดูออกพรรษาหลวงพ่อเขียวก็ใช้ใลูกศิษย์ไปนําอาวุธปืนมาเพื่อพิสูจน์ดูว่าระหว่างหลวงพ่อเขียวกับหลวงพ่อเงินใครจะแน่กว่ากันเมื่อทดลองตะกรุดหลวงพ่อเขียวแล้วปรากฏว่ายิงไม่ดังถึงสามครั้งคราวนี้เป็นของหลวงพ่อเงินบ้างหลวงพ่อเงินท่านก็เรียกเด็กวัดให้ไปเอาขวาบาทมา แล้วใช้ให้เด็กม้วนฝาบาททองเหลืองที่ถือมาแล้วนําไปวางให้ทดลองปรากฏว่าปืนดังแต่ลูกปืนไม่ออกจากปากกระบอกหลวงพ่อเงินท่านก็เลยพูดกับหลวงพ่อเขียนว่าสู้ของข้าไม่ได้ของแกมไม่ดังอาจจะเป็นดืนชื้อหรือว่าแก๊ปเปียกง้ำก็ได้แล้วท่านก็หัวเราะชอบใจนี่ก็เป็นการแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ําที่จะให้เห็นถึงอนุภาพความเข้มขลังของวัตถุมงคลที่ท่านทำ ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระเดศพระคุณหลวงพ่อเงินได้มรณาภาพด้วยโรคชราอายุของหลวงพ่อเงินเมื่อได้ประมวลดูแลว้วอายุประมาณหนึ่งร้อยสิบอ็ดปีท่านมรณาภาพเมื่อวันศุกร์แรมสิบเอ็ดค่ำเดือนสิบปีมาแมเวลาตีห้าที่วัดวังตะโกตโมบลาบางคลานอำเภอบางคลานจังหวัดพิจิตร การมรณาภาพของหลวงพ่อเงินนำความเสียใจมาสู่บรรดาญาติโยมและลูกศิษย์ของหลวงพ่อเป็นอย่างมากศพของหลวงพ่อบรรจุไว้ในหีบเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหนึ่งปีพอครบกําหนดหนึ่งปีบรรดามรรคทายกและศิษยานุศิ์ก็จัดให้มีงานปรงศพอย่างมาฮูรัขณะเริ่มประชุมเพลิงศพยังไม่ทันจะไหม้ดีบรรดาลูกศิษย์และญาติๆก็ได้เก็บอัฐิของหลวงพ่อไปไว้สักการะบูชา แม้แต่จีวรและสบงก็เก็บไปกันจนหมดเพราะเหตุว่าอัถิหรือว่าส่วนต่างๆในร่างกายของหลวงพ่อตลอดจนวัตถุของหลวงพ่อเงินนั้นอยู่ยงคงระพันดีนักแหลพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของต้นโพหน้าวัดทายน้ำถึงจะไม่ใช่ต้นโพแรตรสรูที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งประทับก็ตามเพราะความศักดิ์สิทธิ์และมีอภินิหารพอสมควรเท่าที่ได้พบมาและทราบมาว่า ต้นโพต้นนี้เกิดก่อนวัดทายน้ําซะอีกคล้ายกับเป็นของคู่วัดมาเลยก่อนตั้งวัดผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าสืบต่อกันมาว่าตอนที่พวกเขามาสร้างวัดกันใหม่ๆก็แลเห็นต้นโพต้นนี้สูงประมาณสักห้าเมตรมีใบดกเป็นพุ่มสวยงามมากบริเวณใต้ต้นโพก็สะอาดต่อมาการก่อสร้างวัดทายน้ําก็คือมีกุฏิมีสลาหอสวดมนต์มีแพรที่อาศัยของสมพันธ์ติดต่อกันมา เป็นลำดับและต่อมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นวันเดือนปีอะไรไม่ทราบวัดท้ายน้ํามีสมภารชื่อหลวงพ่อเขียวท่านเป็นผู้ปราดเปรื่องไปด้วยความรู้แล้วก็เรืองวิชาทางไสยสาศาสตร์มากท่านมาอยู่ที่กุติเรือนแพใต้ต้นโพหน้าวัดแล้วก็ริเริ่มเปิดสอนหนังสือไทยให้แก่เด็กๆที่หาคนสอนหนังสือไม่ได้ส่วนหลวงพ่อเงินท่านไปไปม า, มาเพราะเหตุว่าญาติโยมของท่านอยู่แถบนั้นมาก เมื่อท่านสร้างวัดวังตะโกหรือว่าวัดฮิรัญญารามเสร็จแล้วท่านยังไปมาหาสู่ที่วัดทายน้ําอยู่เสมอเพราะสนิทชิดชอบกับหลวงพ่อเขียวจเจ้าวัดสมัยที่ท่านมาที่วัดนี้ใหม่ๆท่านยังอุทานดังๆว่าโอ้ที่นี่ดีจริงๆท่านยังตั้งชื่อว่าวัดช่องลมเวลาหลวงพ่อเงินมาพักท่านจะพักที่แพรแต่ว่าอยู่คนละห้องกับหลวงพ่อเขียว บางครั้งผู้ที่เป็นลูกศิษย์เล่าว่าหลวงพ่อเงินก็ชวนหลวงพ่อเขียวว่าคืนนี้ไปไหว้พระจุลามณีเจดีกันเถอะแล้วท่านทั้งสองก็ลงมาสู่ต้นโพนั่งเข้าสมาธิทำวิปัสนาธุระที่ใต้ต้นโพนี้และบางครั้งจะสอนวิปัสนาแก่บรรดาพระเนนและประชาชนที่ใต้ต้นโพทุกครั้งแสดงว่าหลวงพ่อเงินท่านโปรดปรานต้นโพต้นนี้มาและเมื่อตอนที่ท่านอยู่นั้นท่านเคยนําของมาฝังไว้ที่ใต้ต้นโพนี่หลายอย่าง แต่ไม่ปรากฏที่แน่ชัดเพราะว่าคนที่ลงมือฝังกับท่านนั้นต้องทําการสาบานซะก่อนว่าจะไม่เปิดเผยให้ใครทราบเป็นหูที่สองถ้าบอกกับใครตาจะแตกหูจะหนวกต้องคอยให้ถึงเวลาซะก่อนนี่เป็นคําบอกเล่าจากผู้รู้มาจึงกล่าวได้ว่าต้นโพต้นนี้เป็นของคู่วัดจริงๆแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีครั้งหนึ่งสมัยปีพศ .2481 ยังมีชาวบ้านที่มีอาชีพขายควายไล่ควายมาพักที่หลังวัดไทยน้ำตอนเย็นเดินผ่านมาที่หน้าวัดพร้อมกับถืออาวุธปืนมาด้วยพอดีแลไปเห็นนกระยางเกาะอยู่บนต้นโพจึงยกปืนแก๊ปเล็งไปที่นกน้าวไก่เสียงแชะแชะสามครั้งปืนไม่ลั่นพอบ่ายกระบอกปืนไปทางอื่นก็มีเสียงดังแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ และอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ในบริเวณวัดไทยนามมีไก่ที่ชาวบ้านนํามาปล่อยถวายหลวงพ่อเงินเป็นจานวนมากรวมทั้งลูกไก่นกเหยืยวมันก็เลยชอบมาโฉบจิกกินลูกไก่ไปซะเกือบหมดชาวบ้านแถบนั้นก็เอาปืนลูกซองมาหวังเพื่อจะยิงเหยืยวพอดีนกเหยื่ยวตัวนั้นบินไปเกาะที่ต้นโพหน้าวัดชาวบ้านก็เล็งไปที่นกที่ว่าเนี่ยพอได้จังหวะก็ลั่นไก แฉแฉแฉเปลี่ยนลูกใหม่ปืนก็ไม่ดังทําเอาชาวบ้านกลุ่มนั้นแปลกใจมากเหตุการณ์ต่อมามีเรือหังยาวมาผูกกิรากต้นโพแล้วลืมแก้โซ่ออกเวลาติดเครื่องปรากฏว่าจะทํายังไงเครื่องก็ไม่ติดเจ้าของแปลกใจก็ปล่อยให้เรือลอยไปพอพ้นชายต้นโพก็ติดอย่างลําบากแล้วก็เคยปรากฏอีกอย่างเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการปล้นเกิดขึ้นที่บ้านใต้ทังด้านใต้ของวัด พวกปล้นนี้จะมาจากไหนไม่ทราบแต่มาทางเรือโดยนําเรือมาจอดที่ใต้ต้นโพเพราะว่าตอนนั้นมีสะพานผวกโจรทั้งหลายก็ขึ้นบันไดที่ใต้ต้นโพพอทําการปล้นเสร็จไม่นานพวกโจรทั้งหลายก็ถูกจับบางคนถึงตายและบางคนที่รอดไปก็อยู่ในสภาพบ้านแตกสแสลกขาดพลัดที่นาคาที่อยู่นี่แสดงว่าไม่เคารพต้นโพที่หลวงพ่อเงินและหลวงพ่อเขียวโปรดปรานมากมีบางคนที่ไปดูหมอดูมาและถูกทํานายว่าเคราะห์ร้ายก็มารดน้ําต้นโพบ้าง ใช้ไม้คําต้นโพบ้างดวงชะตาก็ดีมีความสุขขึ้นตอนเข้าบรรษาตอนเช้าเช้าพระเนรทุกรูปจะต้องมาทำการคาระวะทุกๆปีไปสามารถเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนได้เป็นอย่างดีต่อมาท่านประหลัดชุ่มปทุมโมอดีจเจ้าวาดวัดไทยนาได้ปรึกษาหารือกับบรรดาทายกและก็คณะกรรมการวัดว่าหลวงพ่อเงินขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้มาอยู่ที่วัดไทยนาเป็นประจา คืออยู่มากพอๆกับวัดวังตะโกท่านยังเคยปรารบกับญาติโยมแถบนั้นว่าวัดท้ายน้ํานี่มันดีคําพูดนี้ท่านยังเคยกล่าวอยู่เสมอและท่านเองยังก่อสร้างเสนาสนะไว้หลายอย่างเช่นอชอบฟ้าพระอุโบสถท่านก็เป็นผู้แกะเองและขอระครังที่พังไปแล้วท่านก็เป็นผู้เขียนลวดลายเองบางครั้งขณะที่ท่านกํลาลังแกะวัสดุดังกล่าวอยู่นั้นท่านเคยถามบรรดาญาติโยมและทายกทา ย, ยการเหล่านั้นว่าของข้าสวยไหมล่ะ บรรดาบุคคลใกล้ชิดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันโอ้สวยมากหลวงพ่อหลวงพ่อหัวเราะชอบใจและกุติหอส่วนมนนะั้นหลวงพ่อท่านก็ไปมาไม่ได้ขาดเลยและสิ่งของที่หลวงพ่อโปรดปรานมากอีกอย่างหนึ่งก็คือช้างที่ข้างหอระครังหลังเก่านั้นยังมีเสาตะลุงช้างปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงเวลานี้ช้างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าชื่อช้างนบช้างแหนบสแสดงว่าหลวงพ่อท่านได้สร้างวัดไทยน้ําด้วยเมื่อคณะกรรมการเห็นเหตุการณ์ ที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเงินอยู่มากจึงได้ปรึกษาหารือกันขึ้นเมื่อคณะกรรมการตกลงกันแล้วก็ไปจ้างช่างทองสุขซึ่งเป็นนายช่างใหญ่ก็ตกลงกันในราคาห้าร้อยบาทช่างทองสุข ก, ก็เดินทางไปวัดวังตะโกูพอไปถึงก็ลงมือปั้นหุ่นหลวงพ่อเงินกันทันทีโดยไม่ได้บอกเล่าอะไรกับหลวงพ่อปรากฏว่าการปั้นหุ่นครั้งที่หนึ่งไม่เหมือนรูปเดิมช่างก็เลยลบรูปเดิมใหม่ก็ลงมือปั้นครั้งที่สองก็ยังไม่เหมือนอีก คราวนี้โยมพึงได้แนะนำนายช่างบอกว่าควรทําอย่างนี้คือใช้หัวหมูสามหัวเครื่องกระยาบวัดสามสำรับใบสีซ้ายขวาบอกเล่าให้เรียบร้อยซะก่อนนายช่างทองสุขก็ทําตามที่โยมพึงแนะนําทุกประการการปั้นหุ่นหลวงพ่อเงินครั้งที่สามนี้จึงสําเร็จตามความประสงค์คือเหมือนรูปเดิมอย่างพิมพ์เดียวกันให้คณะกรรมการที่วัดดูก็เห็นพ้องต้องกัน่าเหมือนแน่แล้วจึงนําหุ่นหลวงพ่อลงเรือมาปากน้ํา จากนั้นก็จัดกระบวนแหทั้งประชาชนชาวบ้านท้ายน้ําตลอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พอมาถึงที่วัดท้ายน้ําก็กําหนดการหลอ่อนายช่างก็เอาเศษทองที่เหลือจากการหล่อที่วัดวังตะโกเพราะว่าเศษทองยังมีเหลืออยู่มากเอามาผสมหล่อรูปหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํอาอภพินิหารน้องหลวงพ่อเงินที่จําลองไว้ที่วัดท้ายน้ําหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ั้งรูปจําลองหลวงพ่อเงินนั้นทุกๆวันจะมีประชาชนทั้งใกล้และไกลมานมัสการ หรือว่ามาปิดทองทั่วกันโดยไม่เว้นแต่ละวันพอถึงเทศกาลไหว้พระหรืองานประจำปีทุกครั้งในสามารถทำไรายได้ไว้บำรุงวัดทายน้ำเป็นจานวนมากเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนได้ดีมีผู้ถามลุงเรียบว่าสมัยก่อนนั้นหลวงพ่อเงินสร้างเครื่องลังของขลังอะไรไว้บ้างที่เป็นที่นิยมชม ช, มชอบของลูกศิษย์มากลุงเรียบบอกว่ามีตะกรุดกับน้ำมนต์เสกของสองอย่างนี้เชื่อถือได้แน่นอน นอกจากนี้ยังมีน้ำมนต์ที่ขลังมากคนนิยมมารถกันเป็นร้อยทีเดียวสําหรับพระเครื่องรูปหลอกลมและแบนนั้นมาสร้างกันภายหลังแล้วตอนนั้นทําบุญบาทนึงก็จะได้องค์หนึง่งแถบลําน้ํายมในสมัยก่อนมีปลาปักเป้าชุมมากเป็นที่วั่นเกรงของชาวบ้านที่ลงไปอาบน้ําแถบนั้นมากเมื่อมีสิทธิสร้างพระเครื่องเป็นรูปตัวแทนท่านมาเอามาถวายท่านเวลาท่านแจกชาวบ้านท่านจะก็จะกำชับว่าเอาไปไว้ใช้การปักเป้ากัดได้วะ ถ้าของท่านไม่มีดีก็คงจะไม่กล้าพูดอย่างนี้กับชาวบ้านเป็นแน่หลวงพ่อเงินมีลูกศิษย์เยอะที่มีชื่อเสียงมากก็ได้แก่หลวงพ่อพิษวัดระคังหลวงพ่อนวลวัดหาดมูนกระบือหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ําหลวงพ่อไผ่วัดท่าหลวงหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยและหลวงพ่อปุยวัดปากลัดเป็นต้นลูกศิษย์แต่ละองค์ของท่านได้สร้างของขลังมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสิ้นความศักดิ์สิทธิ์ของตระกุดหลวงพ่อเงินนั้น เทราชา์องคอื่นเทียบได้ยากลูกศิษย์ที่ได้รับวิชามาก็สามารถสร้างได้คลังแทบทุกองค์คุณสถานนาคเมืองซึ่งเป็นคนพิจิตโดยกําเนิดประกอบอาชีพอยู่ทางภาคเหนือสิ่งที่คุณสถานได้รับมอบจากคุณแม่มาก็คือพระาธาตุของหลวงพ่อเงินคือคุณแม่มางานตอนเผาหลวงพ่อเห็นชาวบ้านกํนาลังรุมแย่งอัฐิกันอยู่ก็เก็บมาได้หนึ่งชิ้นตอนแรกเข้าใจว่าเป็นฟันของหลวงพ่อก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้เคยช่วยชีวิตเข้ามาหลายครั้งแล้วพระธาตุมีด้วยกันสองชิ้นถูกแบ่งมาให้ญาติชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งตกอยู่กับคุณพายับทนายความในจังหวัดพิจิตรอ่าเขาเคยถูกยิงจนรถปิ้งอพพับพลุนไปทั้งคันกระสุนปืนยังปรากฏเป็นรอยช้าที่บริเวณหน้าอกถึงสรอยแต่ไม่เข้านอกจากนี้ยังมีเศษไม้เท้าของหลวงพ่อเงินซึ่งตัดแบ่งกันมาหลายทอดแล้วเขามีอยู่เพียงหนึ่งแวนเท่านั้นดูจะเป็นไม้เท้าที่ทํามาจากเถาวัลย์ขนาดใหญ่ ไม้เท้านี้ได้ขอแบ่งจากกำนันปุ้นเศษไม้เท้านี้ก็มีความขลังไม่น้อยเคยมีผู้ฉีกแบ่งเอามาผูกกหางไก่ชนเอาเข้าไปตีคู่ต่อสู้ะจะทิมจะแทงยังไงก็ไม่เข้าเลยสักแผลเป็นที่อัศจรรย์ทีนี้ประวัติในทางสายเวทของท่านและการเจริญวิปัสสนาว่าท่านเรียนมาจากที่ใดการบวชเรียนตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรและพระภิกษุขณะที่มาจำมรณาอยู่ที่วชนสงครามในกรุงเทพ ก็คงไม่ทําให้ท่านเชี่ยวชาญมากถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมีทางเป็นไปได้ในกรณีเดียวก็คือหลักฐานที่ท่านมาจากวัดคงคารามมาตั้งสํานักสงฆ์ของท่านที่วัดบางคลานเป็นการชั่วคราวโดยจํำวัดอยู่ที่นั่นเพียงองค์เดียวระยะหนึ่งแล้วท่านก็มาจำมรณฑสาวัดไทยน้ําแล้วก็ออกทุดงฝึกจิตเจริญกรรมาฐานไปในที่ต่างๆช่วงนี้แหละที่ท่านได้รู้จักกับหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่า หลวงพ่อเงินจะทุดงไปทางจังหวัดสิงห์บุรีหรือชัยนาทด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบหรือว่าหลวงพ่อทั้งสององค์จะพบกันแล้วก็รู้จักกันที่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้เชื่อได้ว่าท่านต้องรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าผู้ที่เคยทราบประวัติหลวงพ่อสุขได้ให้คํายืนยันว่าหลวงพ่อเงินเคยให้คาถาแก่หลวงพ่อสุขไว้ด้วยเพราะมีหลักฐานเป็นเอกสารระบุหลวงพ่อวัดท่านั่งได้ให้ประกาถานี้ไว้หลวงพ่อวัฒนั่งก็คือหลวงพ่อเงินวัดทายน้ำนั่นเอง สมัยก่อนในบ้านท่านั่งและบ้านบางคลานเป็นคนละหมู่บ้านแต่ว่าในปัจจุบันเขาเรียกรวมกันไปแล้วก็คือท่านั่งบางคลานตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในปัจจุบันก็ยังคงเรียกเจ้าคณะตำบลท่านั่งบางคลานอยู่ในขณะนี้สรุปได้ว่าหลวงพ่อต้องใช้เวลาไปฝึกปฏิบัติธุดงเป็นเวลานานเกือบ50สปีก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดทายน้าแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบางคลานอีกครั้งเป็นวาระสุดท้าย และในการทุดงของท่านนี้เองทําให้หลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่ารู้จักท่านแล้วก็ได้แนะนําให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาถวายตัวเป็นสิทธิของหลวงพ่อเงินได้ถูกต้องก่อนจากกันวันนี้ครับบอกคาถาบูชาหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดไทยน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรที่ว่านี้นะครับท่านให้ตั้งนโมสามจบแล้วสํารวมจิตกล่าวคาถาว่าสิทธิพุทธังกิตยังมามะ ผู้คนไหลามาณนะชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมมะข้าวของไหลามาณนะชาลิติสิทธิสังขังจิตตังมมะเงินทองไหลามาณนะชาลิติฉิมพลีมหาลาพังภรวันตูเมครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ